เรื่องหาบของสมัยนั้นพวกภิกษุฉับ พ, พักคีหาบของคนทั้งหลายตำหนิประนามโพนทนาว่าทำเหมือนคนหาบของหลวงภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงหาบของรูปใดหาบต้องอาบัดทุกกฎภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้คอนหามเทินแบกกระเดียดหิ้ว